สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิ่เสียงพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สอง้อเจ็ดสิบห้าเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าสิบขอทรงโปรดยกบาปผิดของท่าภุงทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าการยกโทษนั้นเป็นความต้องการส่วนลึกที่สุดเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับมนุษย์ภายในจิตใจของเราและจะส่งผล ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่การยกโทษนี้เป็นเหตุที่ทําให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้านั้นมีสุขภาพที่ดีครับสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณวันนี้เลยมาต่อกันครับว่าในขณะที่พระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระเนตรอันบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะทอดพระเนตรการชั่วได้ในบันทาวากรุนะครับได้กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้านั้นทรงมี พระเนธอันบริสุทธิ์ที่เกินกว่าที่จะมองดูการบาปชั่วได้ในทางอิพระธรรมอิศยาก็เหมือนกันนะครับอิศยาบทที่หกนะครับได้กล่าวว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาท่านอิศยาได้เขียนบันทึกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ถึงสามครั้งเลขสามนั้นแสดงถึงเ p e r f e c t i ่นหรือความสมบูรณ์ครับและโปรเจสเซนเรา หรือคริสเตียนเราลูกอธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อันนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงถึงตรีเอกนุภาพของพระบิดาพระบุตรและพระญาณบริสุทธิ์ได้น้องครับพระเจ้าจอมโยธาซึ่งเป็นพระเจ้าที่มีริธานุภาพสูงสุดซึ่งเป็นนักรบซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะคงได้ชัยชนะมาด้วยความบริสุทธิ์ในขณะเียกันครับเรา ไม่มีทางครับที่พระเจ้าของเราจะไม่บริสุทธิ์และไม่มีทางที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเรานั้นจะมีความสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ได้เว้นไว้แต่จะมีการอาภัยโทษบาป พ, พี่น้องครับเราไม่มีทางพบกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้เว้นไว้แต่ได้รับการอาภัยโทษบาปครับเว้นไว้แต่รับการชําระหรือโดยการทูลขอชําระด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่หลั่งไหลบนไม้กางเขนครับ ในวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสพิจารณาไข่ครวญถึงหลักความจริงสี่ประการนะครับหลักความจริงสี่ประการนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองทั้งหลายมีหลักความจริงอยู่สี่หลักนะครับหลักการแรกก็คือความบาปนั้นทําให้มนุษย์สํานึกผิดและนํามาซึ่งการที่ภากษาความบาปทําให้มนุษย์ต้องสํานึกผิดครับและถ้าไม่สํานึกผิด ความบาปจะนำมนุษย์มาซึ่งการพิพากษาในขณะที่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปในปัญหาของมนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าคือความไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นความบาปนั้นก็คือการไม่เชื่อฟังการไม่ทำตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าวางไว้การละเมิดการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าการทำไม่ถึงมาตรฐานของพระองค์หรือทาผิดต่อมาตรฐานของพระองค์ ในพระธรรมโรมนะครับจึงกล่าวว่าเราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าพระพิโรธนี้หมายถึงภายใต้การพิภากษาของพระองค์ในโรมบทที่หข้อยี่บสาได้กล่าวว่าเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนบาปแต่ค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าก็ทําให้มนุษย์นั้นมีความผิดบาปแล ะ, ะเผชิญกับความตายพี่น้องครับมนุษย์ต้องเผชิญกับความตายเพราะเหตุที่มนุษย์ทําบา และผู้ที่จะจ่ายราคาความตายนั้นก็คือหรือผู้ภากษานั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นได้จ่ายราคาความตายแททดแทนเราทั้งหลายบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ทรงกระทําการที่ยิ่งใหญ่ครับนี่คือประการแรกครับหลักประการแรกก็คือความบาปนั้นทําให้มนุษย์ต้องสํานึกผิดและหากไม่สํานึกผิด จะนำมาซึ่งการพิพากษาหลักการที่สองครับการยกโทษบาปนะครับจากการแรกพูดถึงความบาปครับหลักการที่สองพูดถึงเรื่องความการยกโทษบาปการยกโทษบาปนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงวัตรทานให้แก่มนุษย์โดยผ่านทางการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ผููดทอดพระเนตรเห็นโลกนี้สังคมที่เต็มไปด้วยความบาปพระเจ้าองนนคเอง์เดียวกันนี่แหละครับพระเจ้าองค์บริสุทธิ์เดียวกันนี่แหละครับ ก็ยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาความรักและพระองทรงเปี่ยมด้วยการอภัยโทษบาปพระองค์ทรงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะอภัยโทษบาปให้กับมนุษย์แต่เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความต้องการของมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะมีความผิดบาปและต้องถูกพิพากษาความบาปนั้นนํามาซึ่งการถูกพิพากษาพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าแห่งการอภัยโทษบาปครับ พระกัมพีบอกกับเราว่าพระองค์จะไม่จดจำความผิดของเราอีกต่อไปพระองค์จะทรงมองข้ามความผิดบาปของเราไปพระองค์จะทรงฝังมันไว้ในที่ลึกของมหาสมุทรพระองค์จะขจัดมันออกไปให้ไกลหยุดตะวันออกใกล้จากตะวันตกพี่น้องครับนี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับว่าพระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ความปรารถนาอย่างยิ่งอย่างแรงกล้าที่ จะโปรอธอภัยโทษบาปร้องหลายนั้นมีอยู่ในพระองค์เสมอพระองค์ไม่จดจําความผิดของเราในขณะที่มนุษย์จดจําความผิดของเราพระองค์ไม่เคยเคียดแค้นเราในขณะที่มนุษย์นั้นเคียดแค้นเราพระองค์มองข้ามความผิดบาปของเราไปในขณะที่มนุษย์นั้นจดจําและเจ็บในความบาปของเราพี่น้องครับบรรดาพวกผู้เผยพจะชนะและกรถทูตนะครับในพระกัมภีร์ ดังก็ได้กล่าวถึงพัญญาของพระเจ้าอย่างต่อเ น, นื่องในเรื่องความรักของพระองค์และความปรารถนาของพระองค์เราทั้งหลายต้องรับรู้ให้ได้นะครับว่าพระองค์ปรนนธาตัวหรือปรารถนาที่จะยกโทษความบาปผิดของเราครับพระเจ้าคอมมิตนะครับที่จะยกโทษความบาปผิดของเราถ้าเรากลับใจเสียใหม่ถ้าเรายอมสารภาพบาปเรายอมสํานึกถึงความบาปที่เราได้กระทํา เรามีความรู้สึกไม่ปรารถนาที่จะดำรงตนอยู่ในความบาปนั้นอีกต่อไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราหลายจำเป็นต้องทราบและทำครับในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่อาจยกโทษความผิดบาปได้โดยที่ไม่มีใครรับแทนพี่น้องครับพระองค์จึงต้องเสด็จมารับโทษบาปของเราพระองค์นั้นหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับ พระกัมพีบอกกับเราครับว่าพระคริสต์ได้ทรงแบกรับความผิดบาปของเราทั้งหลายทุกๆคนไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้ก็คือไม้ยังเขนและพระองค์ทรงชดใช้นี่แห่งความบาปแทนเราทั้งหลายทุกคนครับพระองค์ทรงเป็นผู้รับโทษแห่งความบาปของคนทั้งโลกพระองค์ผู้ไม่เคยทำบาปแต่ยอมรับบาปเพื่อเราพระเจ้าผู้ผทรงบริสุทธิ์และทรงชอบทํานั้นจะไม่สามารถอภัยโทษบาปใครได้เลย จนกว่าหนี้แห่งบาปหรือค่าจ้างแห่งความบาปจะได้รับการชาระแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์รับโทษแทนเราทั้งหลายบนไม้สังเขนในวันศุกร์ประเสริฐหลักการที่สามครับหลักการแรกคือเรื่องของความบาปหลักการที่สองคือเรื่องของการยกโทษบาปหลักการที่สามก็คือการสารภาพบาปการสารภาพบาปนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด ที่เราทั้งหลายจะต้องทำและต้องทำให้เป็นอุปนิสัยด้วยครับก็คือเราอาจจะผิดพลังเผลอไปทำบาปในแต่ละวันแต่ละวันเราจำเป็นที่ต้องมีท่าทีแห่งการถ่อมใจลงสำรวจชีวิตของเราในแต่ละวันและเมื่อพบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องผิดจัดน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือความบาปครับเราต้องพร้อมที่จะสารภาพบาป ความต้องการหรือท่าทีแห่งการสารภาพบาปนั้นเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่สำคัญมากของเคย์ส เ, เตียเราอาจารย์เปโลได้กล่าวไว้ในกิจกรรมกิจกา ร, รบทที่ยี่สิบเพื่อยี่สบเอ็ดว่าการกับใจใหม่เฉพาะพระเจ้าและความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นเป็นผลให้เราทั้งหลายได้รับความรอดหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้านะครับบอกกับเราอย่างชัดเจนครับว่าผู้ที่สารภาพบาปของตัวเองนั้น คือผู้ที่เป็นพยานได้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่รับการอภัยโทษบาปแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะรับความรอดได้ถ้าเขาไม่ได้กลับใจจากความบาปของเขาครับอันนี้คือสิ่งที่ห ล, หลายจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้พระเจ้าปรารถนาที่จะให้อภัยโทษบาปของเราแก่เราผู้ที่ยอมสารภาพบาปต่อพระองค์นี่คือประการที่สามครับประการที่สี่เราอาจจะสับสนในเรื่องนี้ครับก็คือ การยกโทษครับการยกโทษนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำแต่ในขณะเดียวกันครับน่าสนใจและเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือการยกโทษซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นส่วนสำคั ญ, หคญแห่งการรับการอภัยโทษบาปนะครับการยกโทษแก่กันและกันนั้นเป็นส่วนสำคัญส่วนสาคัญแห่งการรับการอภัยโทษบาปสำหรับตัวเราเองแต่ละคน เพราะฉะนั้นนะครับอย่าสับสนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะดูคล้ายกับว่าการอภัยโทษบาปนั้นเรียกร้องให้เราต้องยกโทษให้ใครบางคนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเริ่มยกโทษให้คนอื่นก่อนที่เราจะได้ความรอดเพราะเราไม่สามารถยกโทษให้คนอื่นได้อย่างแท้จริงเราไม่สามารถยกโทษให้ใครได้อย่างแท้จริงถ้าเรายังไม่ได้เป็นค ร, ริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะ เราจะทำสิ่งที่ชอบทำก่อนเราจะเป็นคนชอบทำได้อย่างไรครับพี่น้องครับโปรดฟัง ค, ครับเราจะทำสิ่งที่ชอบทำก่อนที่เราจะเป็นคนชอบทำได้อย่างไรประเด็นนี้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาที่เราอธิษฐานเราจะต้องสํารวจตัวเองครับก่อนที่เราจะอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษเราเราได้ยกโทษคนอื่นก่อนหรือยังพี่น้องครับ ผมอยากจะสรุปนะครับในเช้าวันนี้หลักการทั้งสี่หลักแรกเกี่ยวข้องกับความบาปครับความบาปนั้นทําให้เราต้องสํานึกผิดนะครับประการที่สองหลักการที่สองก็คือการอภัยโทษบาปการอภัยโทษบาปนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราหลักการที่สามครับการสารภาพบาปการสารภาพบาปมันเป็นสิ่งที่จําเป็น เป็นอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียนและประการสุดท้ายก็คือการยกโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญแห่งการรับการอภัยโทษบาปสาหรับตัวเองถ้าเราเข้าใจความหมายทั้งสามอย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าใจและเราจะอธิษฐานได้อย่างถูกต้องขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพนะครับ4หลักนี้สําคัญมากในคําอธิษฐานตอนนี้อาเมน